ประโยคหลังนายทหารหนุ่มหันไปบอกเบาๆการพินคิดไม่พูดอะไรถือโอกาสดีดลูกหลังไปที่เชิดบุธผู้ยังนั่งอยู่ความจริงมันน่าจะพอดีกับยอดอกของลูกชายนายพลแต่เชิดบุตรน่ไวพอใช้คว้าตีนสวมบุตรข้างนั้นของนายคีดได้เหมือนจะรู้เส้นทันเชิงกันอยู่แล้วหมุนบิดแผลคิดเสียหลักพลิกหมุนควางเพราะถ้าขืนฝืนก็แปลว่าขาข้างนั้นอาจจะคลิ ร้องจ๊กหัวขมำลงไปเอาหน้าทิ่มตักคริสติน่าผู้กำลังนั่งจัดของอยู่แม่เสือผมทองอุทานอะไรออกมาคำห น, นี่เพราะหน้าของนายนั่นดันตำเข้าไปกึ่งกลางเป้ากังเกงของหล่อนพดิบพอดีขยุ่งหมับเข้าที่ก้านคอกระชากขึ้นส้นมืออีกข้างหนึง่งยัดเข้าไปที่ปลายคางของเพื่อนชายจอมกวนผลักเสยขึ้นคิดลักกลิ้งอย่างไม่เป็นท่าพร้อมกระรองโวยวายลั่น ว้ยทำไมมารุมฉันฉะฉันคนเดียวแบบนี้ล่ะว้ยสแตนลีอิสเบรและเชิร์บุตหัวเราะ ก, กันคลึกคลื่นคริสติน่าไม่กล่าวอะไรนอกจากตาเขียววาวขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วหันไปจัดของตามเดิมราพินเองก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะกรกกรกออกมาด้วยความขันเดินเข้ามาช้อนปอีกพยุงเจ้าคริสให้ลุกขึ้นคิดทึดทัดทาท่าจะปรีไปเล่นงานคริส เพราะถูกผลักด้วยหลักของคอมมานโดเมืออาา่ึกยี่นี้ทำให้แทบคอหักแต่รพินเข้าขวางหน้าไว้ทันควันบอกมายิ้มยิ้มว่า icos. นี่อย่ามัวเล่นกันไ้าสาระอยู่เลยเพื่อนองานสำคัญข้างหน้ามันรอเราอยู่นนคิดแยกเขี่ยวคำรามไปทางแม่ผมทองเบาๆแปลเป็นภาษาไทยคงจะได้ความว่าระวังให้ดีเถอะสักวันน่พ่อจะจับขึงพื้ได้ ตั้งแต่ไปหลบตปดอยู่ใต้ภูเขาก็อ็มมะลูกหมานั่นดูจะสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันดีนักนะบังเอิญคริสติน่าก็จับกระแสะความได้ถนัดหล่อนชะงักมือหันกลับมาอีกครั้งจ้องทั้งคีตและรพินแล้วบอกมาเบาๆเช่นกันว่าที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงได้ทั้งนั้นหรือจะร่วมมือกันทั้งสองคนนั่นก็ได้นะไม่เกี่ยง นี่นี่เป็นเรื่องระหว่างคุณทั้งสองนะกรุณาอย่าเอาผมก็ไปเกี่ยวข้องพรานใหญ่ตอบสวนโดยน้ำเสียงแผ่วต่ำเป็นปกติแล้วหันไปตะโกนเรียกพราญพื้นเมืองของเขากระลูกหาบทุกคนให้เข้ามาประชุมสั่งงานทันที161กำลังคนร่วมตายทั้งหมด20คนถูกแบ่งออกเป็นสองชุดอีกครั้ง พวกลูกหาบทั้งหมดสิบคนถูกกําหนดให้พักรอคอยแบบวางปางพักชั่วคราวอยู่หน้าขั้นบันไดหินกลางป่าเถาวันนั้นโดยระพินสั่งให้พรานพื้นมือซ้ายของเขาคือจันทร์ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลส่วนคณะนายจ้างของเขาทั้งหมดทุกคนสมทบด้วยบุญคําเกิดและเสรยรวมทั้งเขาด้วยเป็นจํานวนเก้าคนจะเป็นฝ่ายที่เข้าไปตรวจตราสํารวจดูภายในบริเวณ มีลักษณะเหมือนเทวสถานซึ่งโครงนอกแกะสลักจากภูเขาย่อมๆทางลูกเป็นรูปสิงหมอบตำแหน่งที่เขาและเบลเคยเข้ามาพักอาศัยหลบซ่อนตนอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมอบวิทยุติดต่อหนึ่งเครื่องไว้ให้แกจันเพื่อจะใช้ส่งข่าวถึงกันได้ถ้าจาเป็นนี่จันคอยสังเกตดูแลบริเวณโดยรอบไว้ด้วยนะระหว่างที่พวกฉันเข้าไปในนั้น เขาสั่งกำชับจันเป็นการซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้งอย่าให้ลูกหาบคนไหนเกะกะเพ่นผ่านไปไหนเกินรัศมีสายตานะถ้าเห็นอะไรผิดปกติก็รีบวิทยุรายงานให้รู้และถ้าเกิดเหตุร้ายก็ให้ตัดสินใจแก้ไขป้องกันช่วยเหลือตัวเองกันไปตามความเหมาะสมถ้าไม่จำเป็นอย่ายิงอะไรทั้งสิ้นที่โลลกมาห็นแต่ให้เฝ้าจับมองไว้จันรับคาอย่างมั่นคงและพอจะไว้วางใจได้เต็มที่ สำหรับสมุนมือทรายรุ่นอาวุโสของเขาแต่ก็ไม่ไวายถามมาเสียงอ่อยว่านายและพวกนายจะเข้าไปในนั้น น, ะนานไหมมันก็ยังบอกไม่ถูกะนะมันสุดแล้วแต่ว่าจะมีหนทางเดินลงไปถึงที่ไหนมั่งแต่คิดว่าจะไม่เข้าไปมันลึกเกินไปนักหรอกค่อยฟังจากวิทยุแล้วกันสีหน้าของจันท์ไม่ค่อยจะเป็นสุขนัก แล้วถ้าพวกนายที่พากันเข้าไปแล้วไม่โผล่ขึ้นมาละ่ะถ้าเรียกวิทยุและจันไม่ได้ยินเสียงตอบจะทาไงระพิงยิ้มจันฉลาดรอบคอบพอใช้ทีเดียวแทบไม่แพ้บุญคำในเรื่องนี้นวิทยุที่เราจะใช้ติดต่อกันมันอาจจะเรียกไม่ได้ยินถ้าพวกฉันเดิน ล, ลงไปในโพรงลึกทําใต้ดินน่ะแต่อย่าเพิ่งกังวลอะไรเลยให้สงบคอยไปเรื่อยๆก่อน แต่ถ้าเกินสามชั่วโมงหลังจากนี้ไปยังไม่ปรากฏวี่แววอะไรจากฝ่ายฉันก็แปลว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติขึ้นมาแล้วจังกับพวกนี้ลงไปตามได้เลยหรือจะจัดการยังไงก็สุดแล้วแต่จะตัดสินเอาเองได้เลยจำไว้อย่างเดียวว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็เอาชีวิตตัวเองและลูกหาให้รอดไว้ก่อนนะกัน <c oughs> นาย ทำไมไม่ให้ไอ้เกิดและไอ้เสยมันอยู่ฟังกับพวกลูกหาบก็เข้าของบนนี้จันอยากไปกับพวกนายด้วยนาะเสียงจันทร์บ่นเบาๆระพินตบไหล่พรานคู่ใจมือซ้ายของเขาดิจันเอิดกระเสยนี่ยังเด็กเกินไปตัดสินใจรับผิดชอบต่อพวกข้างบนนี่ไม่ได้หรอกและที่ฉันเอาสองคนนี้ลงไปด้วยก็เพราะว่าบางทีอาจจะต้องอาศัยแรงอาศัยกําลังของมันแทนลูกหาบ ฉันอยู่บนนี้นะหมอที่สุดแล้วเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากตะคำคนที่จะรับผิดชอบบนนี้ระหว่างที่พวกเราทั้งหมดไม่อยู่ด้วยจะต้องเป็นคนที่ฉันไว้วางใจได้มากที่สุดนะครันมือดีของเขาถอนใจเบาๆแล้วพยักหน้าอย่างยอมจำนนไม่กล่าวอะไรอีกเพราะเจ้านายให้เหตุผลมาอย่างแย้งไม่ได้พวกลูกหาบทั้งหลายก็รับรู้ในคําสั่งของเขาทุกคน แล้วเราพินก็เรียกบุญคำกับเกิดมาซักซ้อมอีกครั้งนี่ตะคำแล้วก็เกิดด้วยขอให้รู้นะว่า น, นี่เป็นหน้าที่เฉพาะครั้งโดยตรงขอให้ทั้งสองคนนะคอยเดินอยู่ใกล้ชิดแมมเบลตลอดเวลาและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนั้นเขาบุยปากไปยังด้านบนที่กำลังจะมุ่งหน้าขึ้นไปอีกครั้งจำไว้ว่าไม่ต้องคำนึงถึงใครอื่นทั้งสิ้นให้ช่วยแมนเบลไว้ก่อนเป็นคนแรก เพราะแมมเบลยังอ่อนแออยู่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ถนัดเห็นหน้าสบอมออยอหอวอรีนายนยบุญคำบอกมาอย่างหน้าตาเฉยระพินมองหน้าอยากจะถีไปสักอักนะั่นแต่ตาเท่าจอมสปปดกถอยออกมาพ้นระยะเท้าเขาซะและ้วเชอดวุฒิแทบจะปล่อยก้ากมาดังๆพรานใหญ่ไม่สนใจอะไรกับปากพลอยๆทะลึล่งโลนของลูกน้องเขาประกาศไปยังฝ่ายนายจ้างทุกคน หวังว่าคงไม่ต้องเตือนนะครับว่าในนั้นพวกเราทุกคนจะต้องหูไวตาไวแล้วก็ใช้ความรอบคอบระมัดระวังยังไงมั่งมันอาจมีสิ่งที่เราเดาไม่ถูกรอคอยอยู่หรืออาจไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยก็ได้แต่สําคัญที่สุดก็คือหนทางมันอาจจะแคบแล้วก็จํากัดใช้เป็นส่วนใหญ่ถ้าจําเป็นจะต้องยิงเปิดคำนึงถึงวิถีกระสุนที่จะมาถูกพวกเดียวกันเองไม่มั่งนี่เป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุด แล้วก็ขอย้มอีกครั้งหนึ่งถ้าสัตว์ร้ายที่เราพบในนั้นเป็นประเภทงูหรือสัตว์เลื้อยคลานมีพิษขออย่าทำอันตรายใดๆกับมันทั้งสิ้นเพราะมันก็จะไม่ทำอันตรายเราเหมือนกันขอรับรองครับรับทราบและจะปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะบอกมาด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมนี่ว่าแต่เราจะบายหน้าขึ้นสำรวจที่ภูเขาหรือ น, นรูปสิงทางด้านนี้ก่อนเนะ เอาทางด้านที่เพดานมันถลุมลงมาก่อนนี่แหละไอ้ทางเนินคู่นั้นค่อยว่ากันทีหลังครับกล่าวยังไม่ทันสิ้นประโยคจอมพรานก็เริ่มเคลื่อนที่ออกนำไปอย่างง่ายๆทุกคนไหวตัวตามจากเนินที่ลาดสูงขึ้นไปจนจรดบันไดขั้นแรกอันโผล่พ้นรอยกลบทับของหินลาวาขึ้นมาทั้งหมดก้าวขึ้นไปเป็นกลุ่มในลักษณะเกือบจะเรียงเป็นหน้ากระดานเนื่องจากมีเนื้อที่กว้าง ระหว่างที่ผ่านขึ้นไปทีหลักขั้นอันสูงประมาณขั้นละสองฟุตนั้นเห็นรอยแตกร้าวปริแยกและเอียงกระเทเร่สูงสู ง, สงต่ําๆแสดงถึงการเวลาที่ผ่านมานานแสนนานบางตำแหน่งก็มีต้นไม้ขึ้นแซมจากรอยแตกปรักหักพังนั้นทุกสายตาพิจารณาไปยัางรอบคอบระมัดระวงังเกิดและบุญคำทาหน้าที่คอยประคองขนาบข้างหิ้วปีกเบลขึ้นไป ตามหน้าที่อันได้รับมอบหมายแต่แม่ผมแดงดูเหมือนจะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของทั้งสองมากนะักแม้จะเชื่องช้าหมดความคล่องตัวไปบ้างแต่ก็ยังแสดงให้เห็นจากอากาศกิริยาที่เคลื่อนไหวก้าวไต่ขึ้นไปว่าเรียลแรงพละกําลังของหล่อนเริ่มกลับคืนมาแล้วอย่างประหลาดชั่วไม่กี่อึดใจทั้งหมดเก้าคนก็ขึ้นมายืนอยู่บนปากโพรงด้านบนสุดอันแลเห็นชัดชัด ในเวลากลางวันทำกลางลำแสงตะวันที่สาดลอดกิ่งไม้ลงมามันเป็นชาญหรือลานระเบียงซึ่งสุดถล่มแตกระแหงอยู่ทั่วไปก่อนจะนำเข้าไปสู่โพรงซอกเหมือนคูหาใต้ร่องอกของรูปสิงขนาดใหญ่ที่มอบอยู่พอจะให้ความเห็นเบื้องต้นได้บ้างไหมเมื่อขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วเบ ด็อเตอร์สแตลลีหันไปร้องถามอิสเบลผู้สึ่งในขณะนี้กำลังยืนพินิษตไปรอบด้านของวัตถุโบราณอันเป็นสถานที่นั้นเมื่อคืนระพินหิ้วชั้นสมซานหนีไอหมานรกพวกนั้นขึ้นมาตอนนั้นมันก็มืดเหลือเกินและขณะนั้นก็กำลังฉุกและหุกเหนื่อยกันแทบขาดใจเบลเอ่ยขึ้นเบาๆมองย้อนกลับไปยังเบื้องล่าง ตามแนวขั้นบันไดที่ผ่านขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้พอจะมองเห็นอะไรต่ออะไรได้เลา่าๆบ้างแล้วล่ะภูเขาไฟระเบิดใต้ดินทําให้เกิดแผ่นดินไหวและบริเวณนี้เป็นบริเวณจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเดิมนะมันเคยเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดมาึมาทีเดียวและบนที่เรายืน อ, อยู่นี่จะอยู่สูงกว่าระดับพื้นราบมากมันได้ซุดถล่มจมดินลงไปลาว่าพ่นขึ้นมากลบทับ เหลือซากบางส่วนโผล่ขึ้นมาเท่านั้นส่วนใหญ่เกินกว่า 80% นะ่ะถูกกลบจมดินไปหมดแล้วถ้าดูจากชั้นดินชั้นหินและก็สภาพของซากพ่อจะบอกอายุได้ไหมเบลหัวหน้าคณะถามมาอีกในขณะที่ทุกคนมองดูบริเวณโดยรอบนั้นอย่างเงียบกริบอิสเบลสั่นสีสักช้าช้าฉันบอกไม่ถูกนะ มันมีทั้งเท่าเล่าว่าและหินงอกหินย้อยภายใต้ซอกโพรงนั้นซึ่งเกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งรอยอัดดันของดินที่ผล่งงอกขึ้นมาใหม่มันทำให้เกิดการแบ่งขั้นตอนตามการเวลาอย่างสับสนรู้แต่เพียงว่าได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมากกว่าสองครั้งอย่างบริเวณนี้และเวลาต่างกันไม่น้อยกว่าครั้งละหล่อนเว้นระยะ เหมือนไม่อาจจะเอ่ยเป็นคําพูดออกมาได้ขณะที่ซึดตัวลงใช้มือแตะกระรอยหินครุกรักที่จับอยู่ยังบริเวณขาหน้าข้างหนึ่งของรูปสิงแกะสลักนั้นบอกมาเถอะเบร์แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วเหลือเชื่อเพียงไหนก็ตามเอาว่าเป็นสมมุติฐานแล้วกันเทว่าเกิดแผ่นดินไหวอยู่หลายครั้งที่นี่แต่ละครั้งมันเว้นห่างกันเท่าไหร่โดยการคาดคะเนาตามหลักของธรณีวิทยา ไม่ต่ำกว่าหนึ่งมืนปีขึ้นไปในการเกิดภัยธรรมชาติขึ้นแต่ละครั้งบริเวณนี้คำนวณจากความแตกต่างของหินละลายซึ่งปกคลุมอยู่แต่มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเราจะคำนวณย้อนหลังไปถึงสภาพเดิมของยุคสมัยของนครแห่งนี้นี่ม่กลายเป็นแสนแสนปีไปเลยเหรือเนี่ยเสียงของเบนเบาเกือบเป็นกระซิบสีหน้าปั้นยากที่สุด ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นไปไม่ได้หรอกคุณผมเชื่อในทฤษฎีคำนวณของคุณนะเบลเสียงห้าวลึกของจอมาคุเทตดังมาในความเงียบแสนปีโอ้ก๊อดระยะเวลาขนาดนั้นมนุษยชาติยังไม่ก่อกำเนิดขึ้นมาและไม่เจริญด้วยสถาปัตยกรรมถึงขนาดนี้นี่เบลครางแหบแบ นายรพินยิ้มเครียดขึ่นรีดวงตาลงคุณรู้ได้ยังไงเบลมันมีบทพิสูจน์ของใครที่จะยืนยันได้ว่าการเวลาแสนไปย้อนหลังรื่นานลงไปกว่านั้นมนุษยชาติยังไม่ถือกำเนิดขึ้นมนุษย์ยุคนี้ที่คิดว่าตนเองเป็นสัตว์โลกที่ปราดเปรื่องในปัญญาที่สุดแล้วคุณส่งยานอวากาศเพื่อจะออกไปสารวจยังโลกอื่นดาวดวงอื่น แต่โลกที่อาศัยอยู่เองเนี่ยังรู้กันไม่หมดเลยแล้วคุณเองละ่ะรู้ได้ยังไงคริสติน่าถามขึ้นจ้องหน้าระพินระพินเปิดริมฝีปากออกมา <c oughs> เห็นฟันขาวเหมือนแยกเขี้ยวอาจจะโดยสัมผัสจากประสาทส่วนที่หกที่เจ็หรือที่แปดของผมเองก็ได้มั้งแต่ผมก็ไม่อาจยืนยัน หรือกำหนดเป็นข้อทฤษฎีใดๆขึ้นมาได้นะทุกอย่างพวกคุณก็ได้มาเห็นกระตาอยู่ที่นี่แล้วบางสิ่งมันก็สอดคล้องกับหลักวิชาที่พวกคุณเรียนรู้กันมาบางสิ่งมันก็คัดค้านกันอยู่ในตัวเองทุกคนยอมรับว่าฝีมือมนุษย์ได้สร้างอาณาจักรรืนนครลึกลักแห่งนี้ขึ้นมาแต่เมื่อตรวจดูตามหลักธรณีวิทยาคุณก็บอกว่าการเวลาที่มันถูกแผ่นดินไหว ถูกล่าวว่าจากภูเขาไฟพ่นขึ้นมากลบฝังมันเป็นการเวลาที่มนุษย์ยังไม่อุบัติขึ้นในโลกแล้วมันคานกันไหมล่ะเอาล่ะเราอย่ามาเถียงกันในสิ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้นี่เลยทุกคนโปรดก้าวตามผมก็มาในบริเวณโพรงถ้ำใต้ฐานสิงนี่ดีกว่าตำแหน่งที่ผมกระเบนมาอาศัยหลบนอนอยู่เมื่อคืนนี่แหละเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันพิสดารออกไปอีกก็ได้นะกล่าวจบ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 มันบ่งความหยุดชัดแจ้งแล้วว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งเขาและหล่อนผู้กำลังบาดเจ็บสมซารกันเข้ามายึดเป็นที่พักอาศัยอยู่นั้นเป็นการเข้ามาอยู่ภายใต้เงื้อมหัดมรุตยูซึ่งอยู่เหนือศีรษะขึ้นไปนั่นเองถ้ามันถล่มลงมาซะตะตอนนั้นในลักษณะที่เห็นกันอยู่ขณะ น, นี้ทั้งสองชีวิตก็ไม่มีโอกาสให้พักพวกคนใดคนพบได้อีกแล้วแม่ผมแดงเบ ป, ปาก ยักไหลนิดนึงระพิงใช้เท้าเขี่ยเศษหินที่กระเด็นอยู่เกลื่อนบริเวณรอบด้านก้อนหนึ่งเบื้องหน้าเขากริ่งคลุกๆุกไปอย่างปราศจากความหมายแงนมองขึ้นไปเหนือศีสะเบื้องบนอันบัดนี้ทะลุโลง่งโวเป็นช่องกว้างใหญ่พอสมควรเปิดทางขึ้นไปเห็นกิ่งใบของต้นไม้ใหญ่อันปกคลุมอยู่สูงลิบลบิขึ้นไป แล้วก้าวข้ามเศษดินหินอันปรักหักพังปโรปรยปลายลงมาเหล่านั้นเลี่ยงเข้าไปตรวจดูตามขอบผนังด้านหนึ่งซึ่งท่ามกลางแสงสว่างของทิวาการอันเจิดจ้าประกอบกับไม่มีหลังคาปกคลุมบังอยู่ด้านบนเช่นนี้ช่วยทุกซอกทุกมุมอันเคยเป็นเงาปริศนาคลุมเครือกระจ่างชัดออกไปหมดพักพวกที่ร่วมทางกันเข้ามาก็กระจายกันออกเป็นหมู่เล็ก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 ตามการเวลาที่ผ่านไปนานแสนนานงอกแซมเกะ ก, กะขึ้นมาทำให้เปลี่ยนแปลง ป, ปิดบังสภาพเดิมของมันซะจึงเห็นเป็นเพียงโพรงแคบๆเหมือนซอกถ้ำในการมองอย่าง่าดผาดผิวผินเมื่อคืนทั้งพื้นราบเบื้องล่างและผนังสกัดกัน้นทั้งสี่ด้านแท้จริงมีร่องรอยของการเป็นพื้นหินแกร่งเรียบซึ่งซาะสกัดทำให้เกิดเป็นห้องโถงขึ้น โดยฝีมือสถาปัตยกรรมชั้นสูงของมนุษย์ที่เจาะภูเขาทั้งก้อนเข้ามาบัดนี้โดยลักษณะอาการมึนๆงงๆอย่างประหลาดระพินไพรวันเข้ามาหยุดยืนอยู่ชิดผนังด้านหนึ่งอันมีหินงอกที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นเบื้องล่างน้อยย่อมที่สุดทำให้มองเป็นผิวพื้นผนังตันทึบ สูงใหญ่ด้านนั้นอย่างถนัดโดยไม่มีอะไรบางเกะกะมันเป็นพื้นดำสนิทปานนินเส้นสีเหลืองขาวและแดงที่ตัดเป็นลายทางขึ้นมาเหล่านั้นทำให้เขาต้องเบิกตาจ้องสำรวจอย่างพินิษมันปรากฏเป็นลวดลายเต็มผนังไปหมดทั้งด้านสูงและด้านต่ำตลอดแนวและยิ่งมองจ้องลึกลงไปภาพเหล่านั้น ก็ยิ่งผุดเด่นกระจ่างชักขึ้นตามลำดับแวบหนึ่งของดวงจิตที่จมลงสู่ห้วงผวังกวีนิพนธ์บทหนึ่งในลักษณะของฉันทลักษ์สมัยที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแผนอักษรศาสตร์ก่อนจะย้ายมาเรียนทางวิทยาศาสตร์การทหารผ่านเข้ามาในเซนของสมองเป็นวสันตดิลกฉันข้อความ บรรยายว่าเพ่งภาพตลอดตะละผนังก็มาลังมาเลืองสีแลเห็นสีเด่นประดุดจะมีชีวแม่นกมลครองภาพเทพนภ พ, พพินิษสนินรสิงหลำัมยอครุดยุทธ ผู้ชงวิยะพยองและพยเอยขยับผันลวดลายระบายระบุกระนากระแนบภาพกระนกพันแพรเกียวผักกาบุตรสปวันลิละวางระว่างเนืองภายใต้สเวต แต่ชัรัฐก็จะรัดจะรูนเรืองตั้งราชอาอาจสนประเทืองวรมันจะบรรจะถอนห้อยย้อยประที่อุบะระทินรักกลินก็เอมออนอาบอบจะลบกระจัดขจร ดุจทิพย์สุมาลัยคันนาอเนกคณะอโคงสิริทรงเจริญใจสันพางขพันพิสัประภัยกัลพิมพะอักษรเรียงรายจรูงระมะยบาดบริจา ริกากรปันพักพิทัก์บัทบววอนวินิวัตเวราวารโดยรอบมหานครเลกสินีรุปราการห้อมมั่นมหันอริจารานก็ระยอและทอหนี แถวถ้ำพโดระสล่างระยะทางจรันมีชนคูประตูวรบุรีนระหว่างพระพาราเรียงป้องและปักทุชาระายพิสค่ายก็แน่นหนาเสาธงสถิตทวชมารุตตะโบ สบัิปลายฮอร์บจะรับริปุพิรอรนาทหาไทยหมายมุ่งยุดทะย่อมชีวามาลายและประลาดมิอาจทานพร้อมพรั่งสพบหรืพระหละรณนพยุคนทหารหานอัมมาตและราช ชบริวานวุฒิเสวากากรเนืองแน่นขนัดอสวพานชาตติกุญชนฌานศึกสมัตสุระสมอนชยเพิกริปูพินความสุขก็แสนบรมสุขและสนุกสนานยินยนใน พไทยระบุบุรินทรรัตจรูนเรืองกลางวันอนันตคันนานา น, านา ร, ราคาคลัยเนืองกลางคืนมหหดสวะประเทืองดุริศัพทดิสีบรรสารผสมสระนีนาศพินภาศและเพรี แท่โสดสดับสนอฤดีอุระล้ำละเริงใจเมืองเท้าสิเทียบทิพะเสนอพบพับเพลอสุราลัยเมืองเท้าและสมบุรณาภัยบุลมวนประการมาน จากกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเพศคําฉันของชิตบุรทัตทุกขุมขนของระพินลุกฉันสู้ขึ้นทั้งกายใช่แล้วภาพวาดติดพื้นผนังเหล่านี้มันระบุบอกความหมายประดุจเดียวกับฉันทลักษ์ที่เคยเรียนมาบทนั้นมันสอชัดถึงความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมขีดสุดในยุคหนึ่งของมนุษยชาติ ไม่ว่าในด้านจิตรกรรมประติมากรรมตลอดจนสะท้อนออกถึงความรู้สึกนึกคิดทัศนคติและวัฒนธรรมในยุคดังกล่าวซึ่งเขาก็ไม่อาจทราบว่ามันเป็นรอบวิวัฒนาการของยุคสมัยใดแต่ที่แน่ใจก็คือชนเผ่านั้นเป็นต้นกำเนิด<ม>แห่งลทัทธิพราหม์อย่างแน่นอนเป็นสมัยที่มนุษย์สามารถจะติดต่อกเทพเจ้าได้อย่างใกล้ชิดและเพียบพร้อมไปด้วยสยเวี กฤษดาอภินิหารทางมนราอาคมยุคที่เทววิทยากำลังเจริญสุดยอดส่วนบนสูงขึ้นไปเป็นภาพของพระมหาเทพผู้ทรงจันทร์เสี้ยวเป็นปิ่นประทับทำมืนอยู่เหนือขุนเขาไกลลาดแวดล้อมไปด้วยหมูเทพบริวารสนโนดาตอันลอยฟ้องไปด้วยเหมหงและกินนอนครุดนาคาราช น, นยักษ์ตลอดจนสัต ในป่าหิมพานนานาชนิดลักษณะแปลกๆราชสีนกใหญ่ที่มีศรีรษะเป็นคนสัมสัตว์สองเท้าสี่เท้าที่ระบุไว้ในเทพปกรณมต้นมักะกรีผลที่ออกดอกเป็นสตรีสาวรุ่นกำดัดเปลือยกายศีรษะติดอยู่กับขั่วห้อยระยะอยู่ต่ำจากแถบหิมพานลงมาเป็นหมูนักศิษย์วิทยาธร หรือศีดาบทและผู้ทรงศีลหรือผู้มีฤทธิ์ต่างๆระดับกลางเป็นชนชั้นปกครองแผ่นดินกษัตริย์ประทับอยู่บนบัลลังก์ภายใต้เครื่องสูงสับอาวุธอันแสดงถึงพลังอำนาจประกอบไปด้วยธนูดอกศรหอกดาบโล่เขนโตมอนตรีพระขันบ่วงบาดช้างมา และรถศึกอันประกอบด้วยกงล้อขนาดใหญ่ซ้ายมือของภาพกษัตริย์เป็นขบวนพายุหญาตราและภาพของการรบทับจับศึกเข้าสับประยุทต์กันขวามือเป็นภาพมหาปราศาสตร์อุทยานสรานรมมีนางระบำรำฟ้อนวงมโหรีและสตรีกำลังดีดผินภาพของพิธีกรรมทางศาสน ก, กิบบำบวงสังเวยถัดลงมาอีก เป็นภาพของเหตุการณ์ชุมชนอันน่าจะหมายถึงอาณาประชาราษฎในสภาพและพฤติกรรมต่างๆประกอบด้วยปะสุสัตว์แพะแกะโคกระบือและสัตว์เลี้ยงบางชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการเสพสุราเมรไรการเสพประเวณีและการละเล่นเฉลิมฉลองต่างๆ ต, ต่ำสุดชิดพื้นในระดับที่เขายือนอยู่ในขณะนี้ เป็นภาพขุมนรกโลกันอันประกอบไปด้วยนายนิรยบาลผู้เป็นประธานสัมสัตร์ในอบายภูมิและดวงวิญญาณที่จมนรกหมกไหม้ต้องทันทกรรมในลักษณะต่างๆซึ่งมันใกล้เคียงกับข้อความที่บรรยายไว้ในประสุดต่างๆทุกภาพเหล่านั้นยิ่งเพ่งมองก็ดูราวกับว่าจะมีชีวิตเคลื่อนไหวได้ภาพวาดบนพื้นผนัง เป็นภาพที่เรพินเหมือนจะเคยผ่านพบมาแล้วในอดีตเพราะมันคุ้นตาเขาเหลือเกินในโสตประสาทส่วนลึกก็อื้ออึงไปหมดแยกสัมสําเนียงไม่ออกบางขณะเป็นเสียงเพลงพินอันไพเราะจับจิตบางขณะเป็นเสียงโหร้องสรพพอาวุธประกระทบกันเสียงร้องโอดโอยของผู้ต้องคมอาวุธเสียงพระเพลิงที่โหมฮื อ, อลุกไหม้เผ า, าผลาญ ฝีเท้ามาย่ำตะลุยกูลจะนาดกึกกล้องของคจรสารศึกเสียงดอกธนูหวีดแหวกอากาศเสียงสะอึกสะอื้นร่ำไห้ของสตรีเสียงบงการโหดเยี่ยมให้ฆ่าฟันสัพสำเนียงเหล่านี้โกลาหนอนลละมานไปหมดครั้นแล้วเด่นชัดเหนือกว่าสำัสำเนียงใดๆทั้งมวลเป็นเสียงกรีดร้องตะโกนก้องเรียกนามว่า คำนี้รูร้ดูดูดูด้สำซกันอยู่เช่นนั้นกลางวานเหมือนดังกรอกช่องหูอยู่ใกล้ใกล้ elemental. ต่อมาก็ค่อยคห่างไกลออกไปตามลําดับวนเวียนซ้ํำซากกันอยู่เช่นนั้นคือดังกล้องชัดเจนใกล้ใกล้ก่อน <essee> แล้วก็สะท้อนห่างเหมือนระบบเสียงเอ็โคย่างไกลไปไกลไปครั้งแล้วครั้งเล่า สุดเสียงจอมักุเทศมารู้สึกตัวได้สติอีกครั้งด้วยอาการสำลักกลิ่นไอฉุนกึกของแอมโมเนียที่ลนอยู่ที่ปลายจมูกพบตนเองสุดอยู่กับพื้นภายในอ้อมแขนประคองแข็งแรงของสเตนลีซึ่งเขย่าเรียกนามเขาอยู่ถีทีกระพินกระพิน ayo เคผู้ที่เอาสัมฤทชิ้นเล็กๆแต่ยาดมปลุกประสาทแขว่งอยู่ปลายจมูกเขาคือคริสติน่า เบลเชิดบุตรคีดบุญคำและพรานนุ่มอีกสองคนกำลังมุงอยู่รอบกายคนเหล่านั้นจ้องอย่างร้อนรนมาที่เขาเป็นตาเดียวลักษณะของเขาลักษณะของทุกคนตกใจจอมพรานสะบัดหน้าแรงแรงไล่ความมึนงงเอามือปัดมือของคริส ท, ที่รมยาดมที่จมูกเขาเฉยออกไปพึพรรมพันออกมาอะไรกันนี่นี่นี่ผมไปอะไรไป พร้อมกันก็ขยับจะลุกขึ้นแต่มริการอาวุโสกดไหลเขาไว้ก่อนเดี๋ยวระพินนอนพักอีกสักครู่เถอะรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะเพือ่อนยักผมผมไม่เข้าใจอ่ะนี่ผมไปอะไรไปอ่ะเขาร้องขึ้นดังๆคริสติน่าพยายามส่งยาดมมาที่จมูกเขาอีกแต่จอมักคุเทศสายหน้าหนีสำลักโบกมือให้เอาออกไปบอกออี้ พอแล้วคริสมันฉุนเหลือเกินทำไมพวกคุณไม่บอกผมแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ระพินคุณมายืนดูภาพวาดบนผนังด้านนี้อยู่คนเดียวนะยืนตะลึงนิ่งทีเดียวยังกระถูกสะกดนะ่ะพวกเราทั้งหมดหันมาเห็นคุณก็เลยเดินมาร่วมดูอยู่ด้านหลังแต่คุณไม่รู้สึกตัวเลยตอนนั้นพอเราก็ามาใกล้ก็ได้ยินเสียงคุณตะโกนเรียกชื่อใครออกมาชื่อนึง แล้วก็ล้มเป็นลมจังไห่หลังลงกับพื้นดีแต่อาจารย์ฟ้าไว้ได้ทันก่อนที่ศีรษะคุณจะควาดลงไปกันแง่หินและเราก็ช่วยกันประถมพยาบาลคุณขึ้นมาผมน่ะเหรอเป็นลมรพินตะโกนขึ้นอีกขยับจะลุกขึ้นให้ได้แต่คิดกระเชิดบุตรช่่ยกันเอือ้อมือมายันออกไว้เออไน่นั่นแหละเป็นลมหมดสติไปชั่วขณะนายคิดออกเสียงดังลั่น นานเท่าไหร่ละที่ผมหมดสติไปก็ไม่นานหรอกสักสองสามนาทีเท่นนั้นแหละนับแต่แต่คุณลม้มลงและจานก็ออกมาคว้าตัวไว้ได้ทันจนกระทั่งคุณรู้สึกตัวขึ้นใหม่ครั้งยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงมะเนี่ยหล่นถามมาเสียงต่ำๆ ต, ตาสีฟ้าจับนิ่งสังเกตมาไมา่ ก, กระพริบระพินยแยกเขี้ยวเอามือกุมขมับคลางออกมาโอ้ พระอระหรันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมชนนเนี่ยที่เกิดเป็นลมหมดสติขึ้นมาอย่างกระทันหันผมไม่รู้สึกตัวเลยอะตอนนั้นอะมันหน้ามืดมันเฉยเฉยอะฉันบอกคุณกรา ก, กรามมากอะแล้วก็พักผ่อนไม่พอเสียงเบนบอกมาอย่างเป็นห่วงเอื้อมมือมาลูบที่ใบหน้าเขาด้วยความกังวลแล้วตอนนี้รู้สึกเป็นไงมั่งระพิน ยังมึนๆหัววิงเวียนนิดหน่อยแต่ผมว่าไม่เป็นไรมากนักหรอกนี่โปรดเถอะอย่าเพิ่งลุกขึ้นนั่งพักอีกสักเดี๋ยวดีกว่านะ่นาคุณซี่เหลือเกินนะระพินเสียงของดอกเตอร์สแตนลีผู้ประคองเขาอยู่บอกเสียงต่ำๆอยู่ริมหูจอมพารานระพินสะบัดหน้าแรงๆอีกครั้งถอนใจเฮือกกล่าวออกมาเสียงแหบแห้ง ผมไม่น่าจะอ่อนแอถึงขนาดนี้เลยสาบานนะว่าผมไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตเอาละ่ะนั่งพักให้รู้สึกดีจริ ง, รงๆก่อนแล้วกันคุณคริสติน่าบอกมาเสียงขึ้นขึ้นและรับกระดาษเช็ดหน้าเคมีที่อาบอวดริโคโลนจากเบลมาฉีดพลาสติกที่หุ้มอยู่คลี่ออกค่อยๆแตะซับเช็ดให้ตามหน้าตาเขาระปินไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ จำต้องนั่งเอนกายสงบนิ่งอยู่ในอ้อมประคองของสแตนลีย์ปล่อยคริสติน่าเช็ดใบหน้าเขาเช็ดวุ้รินบรันดีใส่ฝากระติกและส่งมาให้ระพินรีบคว้าขึ้นมากรอกใส่ปากโดยเร็วพร้อมทั้งพึมพำขอบคุณพอดีแกลพอดีก ร, อกรีอันร้อนชาผ่านลำคอถึงกระเพาะเลือดลมเริ่มจะแล่นได้สะดวกขึ้นพี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ เสียงเชิดบุษถามมาบ้างเบาๆเขย่าที่แขนก็เห็นพี่ยืนจ้องมองภาพเขียนประหลาดพวกนี้พอพวกเราเข้ามาถึงพี่ก็หงายหลังล้มตึงเลยระพินฝืนยิ้มแขนมนเขารู้สึกอับอายยังไงบอกไม่ถูกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันไม่รู้สึกตัวจริงๆอะตอนนั้น ก็เพิ่งจะมารู้จักพวกคุณนะเดี๋ยวนี้แหละมาอยู่ๆผมก็ร่วงลงไปเฉยๆก็อาจจะเป็นไม่ได้อะที่พักไม่พอแล้วร่างกายมันก็อ่อนแอไปชั่วขณะคุณร้องตะโกนเรียกชื่ออะไรสักอย่างดังมากด้วยนะก่อนที่จะล้มลงไปหมดสติเบลศีหน้าเป็นทุกข์กังวลกับสภาพอาการของเขาอย่างเห็นได้ชัดและพินเมมริมฝีปากแน่นแล้วฝืนยิ้มอีกครั้ง มองไปยังคนของเขาทั้งสามที่กำลังจ้องเขม่งมาทั้งบุญคำเกิดและเสยก็กำลังดูเขาอย่างตกใจและประหลาดใจระคนกันนี่ฉันเป็นอย่างที่พวกเจ้านายนี่เขาว่าหรือเปล่าบุญคำใช่อ ย, อยู่นายก็ตะโกนเรียกใครก็ไม่รู้ลูกนายหลังตึงเลยโชคดีนะที่นายห้างบอบเข้ามาถึงข้างหลังนายพอดีเลยรับไว้ได้ ผมตะโกนเรียกชื่อเหรเรียกยังไงฝ่ายนายจ้างอาอาเมริกันทั้งหมดและพรานพื้นเมืองของเขามองหน้ากันไปมาเหมือนจะไม่แน่ใจว่าจะทวนคำซ้ำได้ถูกต้องมีเชิดวุตรคนเดียวที่บอกมาแผ่วเบาว่าพี่พี่เรียกชื่อประหลาดะสําเนียงมันแปลกชื่อนึงผมจําได้ดีที่สุดละ่ะชื่อนั้น จิตรางขนางพี่ใช่แล้วมีคำว่าจิตจิตขึ้นหน้าแล้วก็ลงท้ายว่านางนางข้างหลังนี่แหละสำเนียงมันทำนองนี้แหละฝ่ายนจ้างเมริกันทั้งหมดบอกมาพร้อมเป็นเสียงเดียวกันหมดจิตรางคนางผมได้ตะโกนนามนี้ออกมาอย่างงั้นเหรอ <The music> เขาเ อ, อ่ยขึ้นแผวเบาหวิวเอามือกลุมขมักอีกครั้งใช่ คุณตะโกนดังมากเลยล่ะตะโกนดังจนพวกเราตกใจทีเดียวเบลพูดเสียงสัน่นถ้าทางยังโหนกต่อเหตุการ์อยู่คุณเห็นอะไรเหรอรพินแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือบีบบังคับให้คุณร้องตะโกนออกไปยังนั้นแล้วกิจรางคนาง่ะคืออะไรคริสติน่าถามมาช้าๆตายังไม่ห่างไปจากใบหน้าเขาเลย เหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างระพินอึ้งไปครู่ใหญ่สุดที่จะตอบคำถามหรือคลี่คลายปมปัญหาให้แก่คณะนายจ้างของเขาได้และตัวเขาเองก็ไม่รู้สึกเลยมันเป็นจิตใต้สำนึกแท้ๆที่เขาเปล่งเรียกนามนั้นออกไปก่อนหมดสติระหว่างนั้นเบลเอื้อมมือมาจับที่ปจรเขาแล้วหันไปซุบซิบบอกอะไรกับคริสติน่า พอจะจับกระแสะความได้ว่าระดับการเต้นของชีพจรของเขาค่อนข้างจะเร็วผิดปกติผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันในที่สุดระพินก็เอ่ยขึ้นยังไม่รู้จะบอกอะไรให้ดีไปกว่านี้อีกละก็บอกแล้วไงว่าตอนนั้นผมไม่รู้สึกตัวอะไรเอาเลยออ่ะะถ้าคุณรู้สึกว่าอาการยังไม่ดี เราก็จะยังไม่สำรวจต่อไปละแต่จะให้คุณพักซะก่อนจนแน่ใจจริงๆว่าคุณแข็งแรงดีแล้วอาการคุณไม่ค่อยจะเข้าท่านะรพินมือชักจะเริ่มเย็นอีกแล้วคริสติน่าบอกมาขึ้มๆรพินกระวดคิว้วผมไม่เป็นไรมากหรอกเสียงของเขาห้วนกระชากลมหายใจหอบที่เอาเมื่อคุณใจผมพัก ผมก็จะขอพักแค่สักห้าหกนาทีก็พอยาที่ดีที่สุดของผมตอนนี้ก็คือแบรนดีใครมีก็ขออีกสักถ้วยเถอะจะไม่มีการเสียเวลาอะไรทั้งสิ้นสำหรับวันนี้คนที่ควรห่วงเนาะคือเบไม่ใช่ผมเชิดบุษกิคริสติน่าเหมือนจะขอความเห็นเพราะบังเกิดความไม่แน่ใจแม่ผมทองหันมาพยักหน้าเป็นความหมายอนุญาตจึงรินส่งไม้เขาอีกฝากระตกหนึ่งเต็มเม รั้พินดื่มอย่างพยายามดับอารมณ์แล้วบอกมาว่าขอบคุณตอนนี้ผมดีขึ้นมากแล้วพางก็ชันคอขึ้นประสานนิ้วเข้าหากันหักกลั่นกล้าวถามลอยๆว่านี่ทุกท่านจะอนุญาตให้ผมยืนได้ยังผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วแล้วก็ขออภัยครับที่แสดงความอ่อนแอให้เห็นความจริงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย ร่างกายของคนเรามันไม่ทำด้วยเหล็กเพชนารนะรพินถึงจะแข็งแกร่งสักขนาดไหนมันก็มีโอกาสที่จะต้องอ่อนแอลงได้เหมือนกันเท่าที่สังเกตดูอาการของคุณเรารู้สึกว่าจะมีอาการตึงเครียดทางอารมณ์มากทีเดียวแล้วก็อย่าลืมว่าโรคเดิมของคุณนะมีอยู่ก่อนลนะเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากมาเรียเรือรังก็คืออิสคเมียเส้นเลือดตีชั่วขณะเพราะความเครียด ทำไม่เลือดไม่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองไออาการชนิดนี้มันสามารถน็อกคุณเวลาไหนก็ได้ถ้ามันเกิดอาการขึ้นมาน้ำเสียงของสแตนลีย์เต็มไปได้วยความการุณาครับผมจะพยายามใ ห, ให้อาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นอีกครับสาบานอ่ะถ้างั้นก็ปฏิบัติตามคาสั่งและความเห็นของคริสและเบนซึ่งเป็นแพทย์รู้เห็นอาการของคุณดีอยู่ก่อนแล้ว ตกลงใจผมทำยังไงเอาเป็นว่านั่งหรือนอนพักตรงนี้ก่อนอีกสักห้านาทีแล้วเราจะตรวจดูอาการของคุณอีกครั้งต่อจากนั้นถึงจะลงความเห็นว่าคุณจะทำงานต่อได้ไหมเพียงไรแค่ไหนสำหรับวันนี้ลางบอกเหตุมันไม่เคยจะดีนะรวพินคุณก็รับมาแล้วนี่ว่าไม่เคยเกิดอาการลักษณะนี้มาก่อนคืออยู่ๆก็เป็นลมหมดสติไปเฉยๆ คริสติน่ากล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มแต่จริงจังเคร่งขรึมก็ได้ผมจะปฏิบัติตามระพิงกล่าวอย่างจำนนแล้วพยักหน้าไปที่ฝาผนังหินภาพประหลาดเหล่านั้นนี่พวกคุณตรวจดูภาพเหล่านี้เห็นถนัดกันหรือยังเราก็กำลังพิจารณาอยู่แต่ยังไม่ทันจะเห็นอะไรละเอียดมากนักก็พอดีนายล้มตึงแล้วก่อน ไอสวนฝาผนังอีกสามด้านพวกเราไปตรวจ ด, ดูมาหมดแล้วล่ะคิดเป็นคนบอกมีภาพหรือหลักฐานน่าสนใจอะไรมั่งไหมเออปเดี๋ยวนายดีขึ้นไปดูเองแล้วกันตอนนี้เราจะขอตรวจ ด, ดูทางด้านนายซะก่อนอ่ะนอนนิ่งนอ่ะก็ดูกันให้ละเอียดทีท่วนดิถ้ามีความเห็นยังไงก็ช่วยบอกด้วยรระพินพยักหน้าแล้วนั่งเอาหลังพิงก้อนหิน เบงกเชิดบุตรรงเข้าไปนั่งใกล้ๆเขาคอยดูแลอาการอย่างเป็นห่วงนอกจากนั้นก็พากันลุกขึ้นแล้วเดินไปตรวจภาพบนฝาผนังอย่างอัศจรรย์ใจสุดโดยใช้เวลาที่ระพินยังนั่งพักอยู่รวมทั้งพรานสามคนของเขาด้วยระหว่างนี้ระพินพยายามจะสูบบุหรี่แต่เบงคว้าแย่งไปสะกก่อนแล้วสันหน้ามาบอกเสียงอ่อนโยนว่า นีรพินอย่าเพิ่งสูบก่อนเลยตอนเนี้ยความดันโลหิตคุณยังอยู่ในเกณฑ์สูงนะคุณตรวจดูแล้วเหรอก็ดูจากอาการของคุณก็รู้ลักษณะของคุณมีความตื่นเต้นแล้วก็เครียดหนักจนถึงขนาดเป็นลมหมดสติความจริงฉันก็ไม่อยากให้คุณดื่มบรันดีนะครอกแต่เมื่อคริสเขาอนุญาตก็ไม่รู้จะห้ามยังไงจอมพรานยิ้มให้วางใจเถอะบเบลผมยังไม่เป็นอะไรหรอก มันก็แค่อุปัตวัเหตุเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็รู้สึกดีใจนะที่เห็นว่าคุณกลับเป็นฝ่ายแข็งแรงดีพอสมควรภายหลังจากที่เจ็บมากเมื่อคืนนี้ผมจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละรับรองว่ายังไม่ลุกไปไหนจนกว่าจะครบห้านาทีตามสั่งคุณกับคุณวุฒิสองคนจะลุกขึ้นไปตรวจ ด, ดูที่ผนังนั่นก็ได้นะมีภาพเขียนแปลกๆสวยงามน่าศึกษามากทีเดียวไม่เป็นไรหรอกประพิน ฉันนั่งดูตรงนี้ก็พอจะมองเห็นนะคงไม่ถึงก็ต้องไปจับต้องรูปคาอะไรมันหรอกเพราะอีกสามด้านที่เราเข้าไปตรวจดู ก, ก่อนแล้วก็มีภาพเขียนเป็นลักษณะต่างๆเหมือนกันเป็นภาพยังไงมั่งล่ะคุณลองลาาผมฟังมั่งทีก่อนที่ผมจะมีโอกาสลุกขึ้นไปเห็นด้วยตาตัวเองอิสเบลซอยเปลือกตาทีๆแล้วแลไปทางเชิดบุตรอาการของบุคคลทั้งสองอยู่ในสภาพมึนงง ตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกแต่ก็พยายามระ ง, งับในที่สุดก็ฝืนยิ้มระพินฉันและพวกเราทุกคนมีความรู้สึกพิลึกพิลึกยังไงชกกลนะหล่นเอ่ยขึ้นแผ่วเบาเอามือรูปแขนที่ขนลุกเป็นตุต่มตุฝาผนังทุกด้านมีรูปภาพวาดเอาไว้ด้วยสีทองสีขาวแล้วก็เหลืองแสบ ฝาพื้นผนังดำสนิทเหมือนทางด้านที่คุณมายืนดูอยู่นี่แหละมันเป็นภาพที่เราจะต้องศึกษาพิจารณากันให้ทีท่วนทีเดียวแต่ดูจากลายภาพที่วาดไว้มันแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตการที่เราไม่คิดว่าจะได้พบเป็นภาพเทวรูปลักษณะแปลกภาพสิงสาราศผู้คนเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธต่างๆสะบวอุทยาน ปราสาทราชวังป้อมค่ายเชิงเทินภาพของพิธีกรรมบางชนิดบางภาพก็เป็นขบวนแห่เหมือนการแห่ศพเสียงของเบนแห่พ้าไปห่อไหลลงฉันว่าที่นี่มันน่าจะเป็นห้องบูชาหรือสถานเทวั ล, ลอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมอะไรสักอย่างของชนชั้นกษัตริย์ แห่งมหาอาณาจักรอันเคยยิ่งใหญ่ไพศาลมาก่อนเจริญขีดสุดมาแล้วในทุกด้านยกเว้นด้านเดียวที่ยังไม่เกิดขึ้นคือวิทยาศาสตร์ ย, ยุค ป, ปัจจุบันระพิดจึงเคยมีโอกาสเข้าไปสำรวจในมหาพิรามิดแต่รู้สึกว่าหลักฐานเท่าที่เห็นในแผ่นดินอัยคุตโบราณยังดูไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับอาณาจักรลึกลับที่เราเข้ามาพบนี่บางภาพ ใช้ทองคําเส้นฝังเข้าไปในพื้นผนังซึ่งเมื่อขูดผิวที่หุ้มอยู่เบื้องนอกเข้าไปก็พบว่ามันเป็นหินอ่อนบางแห่งก็ฝังประดับไว้ด้วยเพชรนินจินดาภาพเขียนไว้เฉยๆก็มีภาพที่เกาะนูออกมาก็มีมิเทวรูปหลายองค์ปลักหักพังลม้มลงมากลายเป็นเศษหินปะบนอยู่กระเทาลาว่าที่บาท่วมขึ้นมาถึง มันเป็นงานใหญ่และหนักมากทีเดียวสำหรับเราถ้าจะสำรวจและวิเคราะห์กันจริงๆฉันยอมรับประพิ่งว่าแม้ฉันจะพอมีความรู้ทางธรณีวิทยาหรือซากโบราณอยู่บ้างแต่ฉันก็ไม่มีความรู้เลยในด้านโบราณคดีหรือความเป็นมาของประวัติศาสตร์ก่อนยุคที่จะมีการจดบันทึกกันไว้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติในอดีต มันจะต้องอาศัยความรู้ของนักโบราณคดีร r e h i s t o r y และนักเทววิทยาซึ่งอาจจะช่วยวินิจฉัยได้ดีขึ้นแต่ในบรรดาพวกเราที่มาด้วยกันก็ล้วนแต่เป็นนักภทยาศาสตร์กันทั้งนั้นคำพูดของอิสเบลตะกุกตะกักไม่เต็มปากนักเฉิดวุฒเอี่ยวคอมองไปทางผนังด้านที่พักพวกกำลังพากันเข้าไปพินิจวิเคราะห์อยู่ขณะ น, นี้แล้วหันกลับมามองตารพิน พี่มันคล้ายๆภาพที่วาดไว้บนฝาระเบียงของวัดพระแก้วนะพี่แต่มันลึกลับกว่านั้นมากการแสดงออกของภาพนอกจากจะสอให้เห็นถึงฝีมือจิตรกรรมชั้นยอดแล้วมันยังสะท้อนให้เราเห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นไปของชนอันเป็นเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้ด้วยเสียดายแต่เพียงว่ามันเหลือแค่แท้มันเหลือแค่ซากถลม่มหักพัง และมีสิ่งแปลกปลอมอื่นๆเข้ามาบดบังชะอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านไปผมว่ามันเหลือข้าวโครงเดิมให้เราเห็นไม่ถึงสิบเปอร์เซนตของหลักฐานเดิมทั้งหมดแล้วพี่ล่ะมีความเห็นไงรับพินเงียบกริบยังไม่อาจตอบอะไรได้ในขณะนั้นนั่งเอนหลังแล้วปิดเปลือกตาลงเหมือนจะพักชั่วขณะ บัตรนี้เป็นที่แน่แท้เขารู้แล้วรู้ด้วยประสาทสัมผัสว่าสถานที่นี้คืออะไรแต่ก็ไม่อาจจะเอ่ยคำใดออกมาได้ครูใหญ่ต่อมาคณะนายจ้างและคนของเขาทั้งสองที่พากันไปสำรวจดูผนังด้านนั้นก็ย้อนกลับมายังตำแหน่งที่ระพินนั่งพักอยู่ นี่พินเรามาพบเมืองปอมไปอีทางตะวันทางภาคตะวันออกซึ่งถูกถล่มจมไปด้วยภูเขาไฟเข้าแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าภูเขาไฟที่ระเบิดพ่นลาว่ามากรบเมืองนี่ไม่ได้ชื่อว่าวิสุเวสเท่านั้นเสียงด็อเตอร์สแตลลีพูดแผ่วต่ำขณะที่มายืนยิ้มขึงขืนอยู่ตรงหน้าเขาจอมพลานเปิดเปลือกตาขึ้นครับดเตอร์ บัมเปอียปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์แต่อาณาจักรนิทานครไม่เคยมีประวัติศาสตร์เล่มไหนของใครจะรึกไว้เพราะมันเก่าลงไปกว่านั้นครับทุกท่านตรวจดูตลอดแล้วเหรอครับทางด้านเนี้ยก็ได้แต่ดูผัดผาเท่านั้นแหละลายเส้นสีเหลืองอารามที่เป็นภาพอยู่ในส่วนสูงนั่นคุณว่ามันถูกเขียนไว้ด้วยสีอะไรมันถึงไม่ยอมลบเลือนไป แม้ว่าการเวลาจะเก่าแก่สักขนาดไหนเขาใช้เส้นทองคำฝังเป็นลวดลายเข้าไปใช่ไหมครับดเรเขาเอ่ยเรียบๆหัวหน้ า, นาคณะก้มศรีรษะลงนิดนึงเหม่มริมฝีปากตอบหนักๆในลำคอใช่ไม่เพียงแต่รุ่งเรืองทางสถาปัตยกรรมริกิตรกรรมเท่านั้นอนาณาจักรแห่งนี้ยังมั่งคั่งร่ารวยมาก ทองคาเพชรนิลจินดาและปวงอัญมณีมีค่าต่างๆฝังประดับเต็มไปหมดตามรูปภาพริมผนังทุกด้านโดยเฉพาะที่รูปกริย์ผู้ประทับอยู่บนบัลลังก์นั่นซึ่งมันก็เหมือนๆกับผนังด้านอื่นที่เราเข้าไปตรวจดูแลเพียงแต่ไม่รูปภาพแตกต่างกันออกไปเท่านั้นอาณาจักรของจูเลียสซีซ่าหรืออาณาจักรของอเมนโฮเตป ผมว่ายังไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่เราพบอยู่นี่นะไม่คิดว่าจะเป็นนครเล็กๆบ้างหรอครับด็อเตอร์ระพินกลั้นใจอย่างเสียงถามไปสแตลลีมีสีหน้าที่ยากจะบรรยายเอามือลูบ ป, ปลายคางที่ครึ้งไปด้วยเคราวซึ่งหางมีดโกนหลายวันพื้นพรน ม, มาว่าเอ๊ ดูจากลักษณะเครื่องแต่งกายของกษัตริยุทธพันธ์เครื่องสงครามอันเป็นช้างม้าแล้วก็รถสึกภาพมหาปราศาสตร์อุทยานภาพนางระบังแล้วก็นักดนตรีสาวที่เล่นพินขนาดใหญ่ภาพกำแพงป้อมปราการอันเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างดีว่ามันเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่จเจริญสุดยอดมาแล้วเสียดายแต่เพียงเราไม่ได้มาสำรวจทางโบราณคดี ยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญในทางด้านนี้มาโดยตรงแต่เรามาตามหาระเบิดนิวเคลียสิบเมกะตันที่หายไปพร้อมกับเครื่อง B-52 และเราก็มาพบกับที่นี่เข้าโดยบังเอิญมิฉะนั้นมันจะเป็นงานใหญ่ระดับโลกอีกชิ้นหนึ่งของเราทีเดียวในการค้นพบเมืองประหลาดแห่งนี้ถลม่มล่มจมอยู่ใต้แผ่นดินทางภาค พ, พื้นเอเชียรพิน ภาพที่เราเห็นเหล่านี้มันดูจะแปลกมากนะคริสติน่าเอ่ยขึ้นเบาๆอย่างใช้ความคิดหนักเมื่อเราพิส ด, ดูไปนานๆฉันรู้สึกว่าทุกภาพมันคล้ายๆจะมีชีวิตเคลื่อนไหวได้ยังงั้นแหละคุณรู้สึกอย่างงั้นเหมือนกันเหรอคริสรพินย้อนถามเบาๆนายคิดก็โผล่มาว่า นางระบำเหมือนจะเต้นเยื้องกลายสายสะโพกได้วะอะไรก็ไม่สําคัญท้ากับว่าไอ้ตัวใส่มงกุฎนั่งอยู่บนแท่นใหญ่อ่ะมันมีอาการเหมือนจะขยับลุกขึ้นจากแท่นชักดาบที่พาดอยู่บนตักขึ้นมาลอกกบานชั้นอย่างนั้นน่ยเสียดายที่ไม่มีหลักฐานบอกไว้ว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรปกครองแผ่นดินนี้มาแต่สมัยไหนทําไม นายอยากรู้ชื่องั้นเหรอรพินถามเอาก็ยังอื่นเขียนเป็นภาพไว้ได้สารพัดจะเขียนบอกชื่อตัวเองไว้สักหน่อยก็ไม่ได้ฮึนี่ถ้ามีอักษรเขียนบอกไว้นายคิดว่านายจะอ่านออกงั้นเหรออะส่งมือไม่ฉันจับหน่อยที่ฉันจะลุกขึ้นละตอนนี้เลือดลมเป็นปกติแล้วกล่าวพลาง จอมาคุเทศซึ่งบัตรนี้รู้สึกตัวเองดีว่ามีอยู่สองวิญญาณวิญญาณหนึ่งคือระพินไัยวันและอีกวิญญาณหนึ่งคืออัคคเิรุษแห่งอดีตการก็ส่งมือไปยังคีดเพื่อนอเมริกันผู้ร่วมตายยังไม่ฉุดเขาขึ้นมาตามขอร้องแต่หันไปถามเบนว่าเบนอาการเขาเป็นไงลองตัวดูก่อนสิดูท่าทางพิกลนอยู่นะ ตาแม้ก็จะมีแววเลยมันขวางๆยังไงบอกไม่ถูกวมะเบนจับชีพจรเขาอีกครั้งเอาหลังมืออังที่ซอกคอระพินแล้วบอกมาว่าฉันก็รู้สึกว่าเขาหน้าจะเป็นปกติดีแล้วนะแม้ว่าชีพจรจะเต้นเร็วกว่าสภาพปกติธรรมดาของเขาไปเองมั่งก็าตามพวกเราช่วยประคองเขาหน่อยดิไม่ต้องหรอกผมยืนเองก็ได้ระพินบอกมาโดยเร็ว แล้วพรวดขึ้นยืนในสภาพเดิมของเขาพร้อมไรเฟื่อในมือแล้วพยักหน้ากับคิดนี่นายไม่ต้องกลัวหรอกว่าฉันจะกลายเป็นไอ้ผีดีพวกนั้นไปถึื อ, อยังไงฉันก็ยังเป็นระพินไทยวันมักคุเทศนำทางผู้ซื่อสัตว์พวกนายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนายอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าภาพกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นเป็นใครมาตามฉันมาเราจะเข้าไปดูใกล้ๆ ก, กันอีกครั้งเดี๋ยวฉันจะบอกให้ แล้วเขาก็ก้าวสวบๆเข้าไปยืนประชิดกับผนังกว้างอันมีภาพวาดเป็นแถวยาวเหยียดด้านนั้นอีกครั้ง162ทุกคนตามเข้ามาจอมพรานมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของภาพลายทองฝังประดับไปด้วยเพชรนินจินดาพราวไปหมดภาพนั้นเขาจ้องพิจารณาอยู่อึดใจใหญ่ ดวงตาของสุภาพบุรุษร่างใหญ่ฝังด้วยมรกตจ้องตอบเข้ามาริมฝีปากที่มีอาการเหมือนจะสยดสยอะถึงถึงอยู่ในชุดของนักรบโดยเฉพาะที่สวงอกกว้างใหญ่หุ้มไว้ด้วยเกราะทองคำเป็นลักษณะเกร็ดซ้อนจะเป็นอุปทานหรืออะไรก็ตามทีดูเหมือนกับว่าร่างนั้นจะขยับผุดลุกขึ้นมาจากแท่นที่นั่งห้อยขาทั้งสองลงมาชิดพื้นและโผลเข้ามาพร้อมกระดับ โดยไม่นัดกันไว้เลยทุกคนไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ชิดนักแต่รับพินเข้ามายืนหยุดตรงหน้าห่างเพียงวาเดียวแล้วก้มศีรษะลงถวายสักการะนิ่งสงบไปชั่วอึดใจสงกระแสจิตขอขมาโทษในพฤติกรรมจากอดีตที่เคยยิงธนูส่งดอกศรเข้าเสียบซอกพระสอปิดพระชนชีพกลางศึก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 ได้กลับคืนมาเฝ้าอยู่เฉพาะเบื้องพระพักของใต้ฝาละอองพระบาทอีกวาระหนึ่งแล้วเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้เกิดขึ้นโดยปราศจากความตั้งใจของเกล้ากระหม่อมชั้นแม้แต่น้อยแต่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดโดยแท้ขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงเอาโหสิกรรมให้ด้วยเถิด บาปเวียนจากผลกรรมในครั้งกระนั้นก็ได้ติดตัวบรรทอนทรมานเก้ากระหม่อมฉันมาทุกชาติพบแล้วกราบจนกระทั่งชาติพบนี้จิตของระพินกราบทูลอธิษฐานออกไปประกายดวงมรกรที่ฝังอยู่ในกรอบหน้าของภาพนั้นดูจรีโรยอ่อนแสงสงบราบคาบลง ครั้นแล้วถามกลางความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินของสถานที่นั้นระพินแแววเสียงห้าวลึกตอบมาสัมผัสเซในสมองอคคนิรุตเอ้ยข้ามหิตธิเดชะขอรับขมาจากเจ้าขอให้เวนไัยระวังข้าและเจ้า จงยุติลงเพียงนี้และขอฝากลูกน้อยจิตรางคานางในชาติพบเดียวกันกับเจ้าณปัจจุบันชาตินี้ไว้ด้วยเถิดจงมีความรักและซื่อตรงต่อลูกของข้าเหมือนเยี่ยงที่เจ้า ได้ปฏิบัติมาแล้วในปางบันและจงเร่งระวังตนจากความอาฆาตไยาบาทของปุโรหิตมันไรไว้ด้วยพระเจ้าค่ะเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นกล้าวที่ทรงเตือนกล่าวกระหม่อมชั้นพยะคักคณิรุธ ยังจะจำได้หรือไม่ณมหาสุสานแห่งราชวงศ์ภายใต้สถานเทวาลัยนี่แหละเป็นที่สถิตของร่างค่ะและร่างของจิตรางคันนางซึ่งเจ้าได้ลอบเข้ามาลักพาศพลูกสาวของข้าไปเ<ป>กล้ากระหม่อมชันระลึกจุดจำได้หมด ทุกซอกมุมและตำแหน่งแห่งที่กําลังจะลงไปเยี่ยมเยือนหีบศิลาอันบรรจุพระสบของใต้ฝาละอองพระบาทและหีบพระสบของจิตรางคนางซึ่งหม่อมชั้นได้เคลื่อนย้ายลักพาพระสบขององค์มกุตราชกุมารีไปในครั้งนั้นการลงไปในครั้งนี้ ก็เพื่อจะกลับลงไปถวายสักการะกราบพระศพของพระองค์และเยื่มเยือนหีบศพของจิตรางขนางด้วยขอพระบรมราชาอนุญาตเพื่อเปิดขนทางให้ด้วยพระเจ้าค่ะค่ะอนุญาตอนุญาต ลงไปเถิดอัคนิรุตแต่จงระวังตนให้จงหนักหนนทางลับใต้สุสานที่เจ้าเคยใช้เป็นทางเข้าออกในครั้งนั้นบัดนี้ได้ถูกปิดตันไว้ใต้ธรณีแล้วด้วยพระสุทธาทะลม่มหนทางกลับคืนขึ้นมา จึงเหลืออยู่ทางเดียวเจ้าลุงโดยทางไห น, ไหนก็ต้องกลับคืนขึ้นมาทางนั้นอย่าสแสวงหาทางออกด้านอื่นอีกเลจเจ้าคงจะจำได้ดี ห, หิบศบของขา้าเมื่อลุงไปจะอยู่ทางแท่นขวามือ ส่วนหีบศพลูกสาวข้าจะอยู่เบื้องซ้ายฝาหีบศิลาที่เคยเปิดออกได้ฝีมือของเจ้าในครั้งนั้นมีสภาพเช่นไรปัจจุบันนี้ก็คงสภาพอยู่เช่นนั้นมิได้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเลยแต่เจ้าจะต้องเดินลึกลงไปมาก จากพื้นของมหาวิหารเทวาลัยที่เจ้าเยียบยืนอยู่นี้ชาญวิถีสามารถสัมผัสส่งกระแสะความรู้สึกกันได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ชั่วอึดใจมันจะเกิดขึ้นจากอาการจิตหลอนสร้างจินตนาการเรื่องราวขึ้นมาเองหรือจะเกิดขึ้นจากแก่นแท้ความจริงยังไงก็ตาม มันก็สามารถพิสูจน์กันออกไปได้ภายในระยะเวลาไม่นานข้างหน้านี้แหละถ้าหากว่าเขาจะนำคณะทั้งหมดที่ติดตามมาลงไปสู่ห้องใต้พิภพที่ซ่อนอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นราบของสถานเทวาลายัยซึ่งยืนกันอยู่ในขณะ น, นี้เพื่อตรวจสอบว่ามันมีข้อเท็จจริงหรือไม่เพียงไรโดยนำมาเปรียบเทียบกับแผนภาพ แห่งความฝันขณะที่เคลิ้มหลับไปเมื่อคืนภายในคูหาแห่งนี้